อีกครั้งหนึ่งที่สโมสรวิญญาณแห่งวัดระฆังโดยเฉพาะกุติคุณนบก็ต้องประชุมสมาชิกพร้อมกันโดยนายสมัยได้ไปพบเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นที่ท้องถนนสายยาวพร้อมกับประภาสีจึงต้องมาประชุมกันว่าเหตุที่พบนั้นจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรได้บ้างอาทิตย์หนึ่งเราได้นัดประชุมกันขึ้นที่กุติคุณนบโดยพร้อมองค์ประชุมมีผมคุณอุทิศเป็นผู้บันทึกการประชุมท่านพิกสุนบเป็นประธาน ก็เริ่มกล่าวกับคุณสมัยให้บรรยายการพบเห็นกับที่ประชุมอา้าสมัยว่าไปเล่าให้ละเอียดทุกๆตอนนะประธานกล่าวคุณสมัยนิ่งอยู่นิดนึงแล้วจึงเริ่มต้นเล่าวันนั้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนปิดผมกับประภาสีได้กลับไปบ้านของเธอที่นครนายกเพื่อฟังข่าวต่างๆจากทางบ้านหลังจากที่คุณชิดกับคุณชวนได้ทาการปรับบิบาสต์ที่บ้านของเธอแล้วคุณสมัยเริ่มต้นกันเล่าช้าๆ แล้วก็ชัดเจนเมื่อเหตุการณ์กับปีศาจ ท, ทางบ้านได้เงียบลงแล้วก็เรียบร้อยดีเราทั้งสองก็ได้กลับกันในวันอาทิตย์แต่ว่าก็ค่อนข้างเย็นมากแล้วเดินทางด้วยรถเก๋งส่วนตัวของเธอพอออกจากบ้านหน่อยเดียวฝนก็เริ่มตกเพียงเปรยๆพอถนนเปียกแล้วก็ลื่นพอตกค่ำเข้าแสงไฟรถทุกๆคันก็จับถนนกันเป็นแสงแวววาวไปหมดเอ้าแล้วใครขับรถละ่ะผมขับเองครับในสมัยบอกประภาสีนั่งคุยมาข้างๆ แม้ไอ้ฝนที่ตกปรยเนี่ยยุ่งยากแก่การขับรถนักมันลื่นแล้วก็ทำให้เซผิดทางอยู่บ่อยๆผมเนี่ยระวังซะแย่เลยตลอดทางก็ต้องตั้งข้อให้แข็งไม่ยอมเลออผลอพอพ้นสายนาครนายกเข้าไปเส้นทางใหญ่สายสระบุรีรถนี่มากจริงเป็นรถจากพระนครสวนทางกับเรา ธรรมดารถไฟสมัยนี้แรงจ้ารู้สึกว่าเกินต้องการมากแล้วก็ต่างไม่รีไฟให้แก่รถที่วิ่งสวนทางซะด้วยยิ่งเขาวิ่งตามๆกันมาข้างหลังกันมากคันไฟก็สาดพื้นถนนที่ชุ่มวาววับสะท้อนในตาไปหมดผมระวังนักหย่อนความเร็วลงเกรงว่าถ้าเกิดลื่นรถถลออกนอกเส้นทางไปชน ก, นกันกับพวกเขาข้างทางเนี่ยก็คงจะเสียชีวิตกันเท่านั้นเองรถผมนี่ผ่านที่ตรงนึงที่นั้นในผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ย มันมีนักเรียนที่โรงเรียนผมเหมารถไปเที่ยวลบบุรีแล้วก็ไปชนประสานงากันที่นั่นวันนั้นผมไปเที่ยวกับคุณอุทิศคุณมั่นที่น้ําตกนางรองขากลับมาก็เห็นจากรถสองคันพังทับกันอยู่แม้ว่าจะเป็นเวลามืดแล้วแต่ว่าผมก็ยังเห็นนักเรียนหญิงคนนึงโผล่หน้าออกมาจากรถพังคันนั้นเข้ามาพบหน้ากับผมแล้วก็ยังโบกมือให้ผมภาพนั้นเนี่ยผมจําได้ติดตาครั้นวันนี้ผมขับรถมากับประภาสีผมก็เลยไม่ยอมมองที่ตรงนั้น แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอให้เธอรู้ด้วยแต่ว่าดวงตานั้นเนี่ยก็ระวังรถสวนทางเป็นสำคัญรถจิบบางคันนะวิ่งตามหลังผมมาแล้วก็เร่งคันเร่งเร็วปรือแซงขึ้นหน้าผมไปพร้อมกับเสียงเฮฮาของหนุ่มสาวหันหลังโผล่หน้ามาดูมาดูรถคันของผมกันทุกคันเลยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรกันทำนองว่ามองรถที่ใช้น้ามันตราเต่าแต่หน้าประหลาดแล้วก็หน้ากโกรธที่มีหลายคันทาแบบนี้ ยิ่งกว่านั้นนะไม่แซงผมไปเปล่าๆยังมีพวกที่เขาแซงขึ้นหน้ากันเองอีกทั้งทา ง, ท, งที่กําลังแซงคันของผมอยู่ผมก็ต้องเบาเครื่องลงเพราะหนักใจเกรงว่าการแซงของเขานั่นเองถ้าแซงไม่พ้นโดนกันเองเข้าก็จะกระเด็นกระดอนมาใส่ผมเข้าอีกแน่สมัยเหนื่อยมากเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฉันขับบ้างนะประภาสีพูดโดยหวังดีขอให้ฉันสู้ตลอดไปผมตอบ ในระยะนั้นเองก็มีรถวิ่งสวนทางมาหลายคันล้วนแต่เปิดไฟแรงๆทั้งนั้นพวกคันหลังๆก็พยายามจะแซงขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าเขาก็ขยับเบนหัวจะแซงอยู่หลายหนอยู่ผมมองดูอย่างใจหายเอถ้าเขาแซงกันไม่พ้นนี่ก็เวรกรรมอยู่ดีนะอยู่ดีๆผมก็พลอยพีนาธไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีแสงไฟพุ่งจ้ามาทางด้านหลังผม ไฟสว่างจ้านั้นชิดเข้ามาทุกทีทั้งๆ ท, ที่เขาก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าขืนแซงขวาผมขึ้นไปก็น่าจะกินทางไปมากต้องประสานงาด้านโน้นเป็นแน่ดูช่างเป็นยามฉุกเฉินซะจริงๆไฟกระจ้าแทบจะเผาเลนในตาให้มอดไหมลงเหตุใดหนอคันหลังผมจะเร่งไปไหนพุ่งติดๆมาทีท่าจะแซงขวาผมขึ้นไปหาความตาย คันผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ขับไปเรื่อยๆในอันตราธรรมดาหนทางก็ไม่มีจะเบี่ยงหลบให้เขาแซงได้แต่ว่าทันใดนั่นเองเหมือนผีหลอกครับรถคันที่ตามหลังผมเมื่อแซงขวาไม่ได้ก็เกิดจะแซงซ้ายขึ้นมามาหาประลัยแล้วมันผิดกฎจราจรแล้วก็ฝ่าอันตรายยิ่งใหญ่ ท, ทั้งทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าผมก็มีรถบรรทุกวิ่งอยู่อย่างไม่เร็วนะัก คันผมขับธรรมดาไม่ช้าไม่เร็วและก็ยึดทางของตนอย่างแน่วแน่ไม่ยอมกินทางไปทางขวาเกรงฝ่ายโน้นจะแซงกันเองเมื่อเห็นเป็นดังนั้นรถผมจึงเกาะแนวซ้ายจนชิดทางไม่มีทางจะให้คันหลังบ้าบอแซงซ้ายขึ้นมาได้แต่ก็บ้าอย่างพินาศคันหลังผมเกิดแซงซ้ายจนได้คันรถตกทางลงไปเพียงครึ่งเดียวใช้ความเร็วเหมือนกับเหาะนั่นเองเกาะข้างทางอยู่โดยไม่ผิดคว่าไป พอพ้นผมเขาก็ฉลับขึ้นข้างหน้าผมได้ผมตกใจเหมือนหัวใจจะทะลักออกทางปากประภาสีร้องกรีดอย่างปอดลอยผมรีบเบาเครื่องกลัวจะพุ่งเข้าจูบท้ายเขาอย่างแรงรถคันแซงอย่างบ้าคลั่งนั้นเป็นรถเก๋งจะเป็นชนิดใดดูไม่ทันแต่เห็นว่าเป็นเก๋งที่เล็กกว่าผมคันเขาจะเร่งไปอีกก็เร่งไม่ได้เพราะว่ามันมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้า ไฟแดงท้ายของเขาสาดแสงลงถนนเปียกที่เป็นประกายไฟจากเงาน้ํากินตาผมเหลือเกินขณะนั้นเองประภาสีได้ร้องกรีดขึ้นอีกผมก็ร้องโอยขึ้นเหมือนกันเพราะว่าไอ้รถบ้าคันหน้านี่เกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เกิดเบาเครื่องขึ้นมาเฉยๆคันผมวิ่งมาอย่างไม่นึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเบาเครื่องไม่ทันก็เลยวิ่งเซยกลวมเข้าให้ประภาสีร้องดังก้องผมต้องหลับตาเพราะว่าตกใจแต่เปล่าเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น รถคันที่ว่านั้นไม่มีและผมก็ไม่ได้โดนใครใจผมวูบตัวชาประภาสีถึงกับเอ็นตัวเข้าเบียดผมลดความเร็วของรถลงเพราะว่าใจสัน่นผีบ้าผีร้ายอะไรกันเนี่ยที่ทำกับผมแบบนี้ผมต้องอ้าปากหายใจด้วยความเหนื่อยรถบรรทุกที่วิ่งข้างหน้าได้เร่งความเร็วและก็วิ่งทิ้งคันผมไปจนไกลลิบลับ และชั่วเวลาติดต่อกันนั่นเองรถจิบเล็กวิ่งสวนทางมาข้างหน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหักคันฉลับวิ่งดิ่วลงข้างทางแต่ข้างทางมีน้ําเจิ่งอยู่อย่างดีก็แค่เปียกน้ํากันไม่มีการตายกันเป็นแน่ผมเสียมรยาทและมนุษยธรรมหมดสิน้นไม่มีแก่ใจจะหยุดช่วยเหลือเพราะว่าตัวเองหัวใจเหลืออยู่เพียงนิดเดียวปอดเต็มทน คุณสมัยหยุดเล่าแล้วก็ดื่มน้ําส่วนประภาสีนั้นแม้จะได้ไปด้วยกันเห็นมากับตาด้วยกันแต่ก็มิได้เล่าเหตุการณ์นั้นแข่งกับคุณสมัยเพียงแต่ยิ้มน้อยๆแล้วก็โคลงศีรษะนี่แหละครับคุณสมัยพูดต่อผมว่ามันมาจากการล้มตายกันในท้องถนนมากต่อมากเข้าวิ ญ, ญญาณก็ล่องลอยกันทั่วไปเวลาใดนึกสนุกขึ้นมาก็หลอกล้อพวกรถที่วิ่งวิ่งกันมาอย่างสนุกแต่มันก็เป็นภัยอยู่ไม่น้อยถ้าปลอดไม่ดีก็ตายกันไป ในการประชุมของเราครั้งนี้อยากจะทราบว่าพวกเราจะมีทางอะไรช่วยเหลือแก้ไขกันได้บ้างมีทางอะไรที่จะอัญเชิญวิญญาณเหล่านั้นให้ไปผุดไปเกิดซะได้เราไม่มีทางจะเชิญวิญญาณเขาไปเกิดได้หรอกคุณนพผู้เป็นประธานกล่าวเชิญให้เขาอยู่ง่ายกว่าเชิญให้เขาไปเกิดอีกถ้าต้องร้อนถึงคุณชิดแล้วก็คุณชวนอีกกระมังในมั่นพูดอย่าลืมว่าการเกิดนั้นเขาเกิดกันโดยไม่รู้ตัว ความจริงวิญญาณทุกๆดวงก็พยายามหลบหลีกการเกิดเมื่อเราอยากจะให้เขาเกิดก็เล่นไม้ดื้อเอาหญิงที่ตั้งคันนั่งรถทั่วทุกถนนเพื่อเชิญหรือให้ความดึงดูดของก้อนโลหิตในคันบีบบังคับดูดดึงให้ไปเกิดแต่ว่าใครล่ะจะรู้ว่าผู้หญิงที่เราหาไปนั้นก้อนเลือดในคันเขาจะต้องการวิญญาณหรือยังคุณนบอธิบายนี่เป็นเรื่องยากขั้นนึงแต่ว่าขั้นสองนั้นก็เกี่ยวกับบุญแล้วก็บาป เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าก้อนเลือดนั้นๆเขาต้องการวิญญาณชนิดไหนกันเล่าเพราะว่าในท้องถนนเนี่ยมันมีวิญญาณหลายประเภทเอาละ่ะสมมุติว่าเรากับเจ้าของคันรู้แล้วว่าเจ้าของคันเนี่ยต้องการวิญญาณชนิดสุภาพเรียบร้อยซื่อสัตย์มีความกล้าหาญเที่ยงตรงแล้วก็เอาอย่างยอดๆทั้งนั้นแต่ใครเราจะรู้ว่าวิญญาณดวงไหนที่ลอยอยู่มีสภาพดังที่กล่าวมาจะได้เข้าสู่คันสมดังเจตนาเราก็หารู้ไม่ ก็เป็นการสุ่มๆกันไปก็ย่อมเป็นบาปเป็นกรรมที่มอบของไม่ดีให้แก่เขาเพราะว่าวิญญาณตามถนนนะ่ะมันร้อยแปแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะบังเอิญว่าวิญญาณอีกหลายดวงเขายังไม่ต้องการจะเกิดเขายังต้องการจะอยู่อย่างว่างๆเป็นอิสระไม่ต้องการความกังวลยุ่งยากแต่ว่าเราไปทำการบังคับสุดแต่จะทานองล่อหลอกให้เขามาเกิดเราเนี่ยจะบาปหรือเปล่าล่ะ คุณนพพูดถึงเหตุผลที่แท้จริงที่ทั้งฝ่ายเขาและก็ฝ่ายเราจะได้รับก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าลําบากจริงๆอย่างประทานว่าแม่เจ้าเอ้ยเช่นนั้นก็ต้องปล่อยเขาอยู่กันเกลื่อนถนนไปอย่างนั้นกระมังคุณสมัยครวนครางเรื่องวิญญาณจะอยู่เกลื่อนถนนน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อเป็นดวงวิญญาณก็ย่อมมีอํานาจลอยไปได้ทุกแห่งเไหนจะมาลอยเกลื่อนถนนเล่าริมถนนกลางถนนจะมีอะไรเป็นสเสน่ห์ให้เขาอยากอยู่ชั่วแต่นานๆ เขาอาจจะผ่านมาบ้างบางคราวก็เกิดมาพบเห็นกันเข้าโดยบังเอิญมันก็ยากยิ่งนัดที่จะไปเชิญเขาไปเกิดเขาจะเกิดเขาก็ไปเกิดของเขาเองคุณนบว่ามันเรื่องใหญ่ซะแล้วคุณสมัยในมั่นพูดนอกเหนือฐานะเราซะแล้วว่าไม่ได้นะมือหนึ่งโดนดีเข้าปาเอาแม่เหล็กดีดๆก็อาจจะไปเกิดได้บ้างคุณนบว่า